5.21 ธรรมะฝ่ายดีมีมากวงเล็บเปิด15มิถุนายน2551วงเล็บปิดธรรมะฝ่ายดีๆก็อีกเยอะแยะเลยยังฝ่ายดีๆมีตั้งมากมายตั้งแต่หมวดที่หนึ่งสองสสขึ้นไปจนหมวดเกินส0มีธรรมะดีๆที่ต้องปฏิบัติเยอะแยะเลยอย่างหมวดที่หนึ่งในเครื่องหมายคำพูดโยนิโสมนสิการ กว่าจะมีโยนิสโสมนานัสิการก็ต้องฟังธรรมะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจนเข้าใจหลักที่ท่านสอนเวลาเราจะพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันถึงจะแยกคายธรรมะหมวดที่สองที่เราต้องเรียนอย่างเรื่องในเครื่องหมายคําพูดสมถะกับวิปัสสนาก็เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาสาระเยอะแยะไปหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดดูกระพิสุทั้งหลายธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง คือสมถะกับวิปัสนาปิดเครื่องหมายคำพูดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมีเนื้อหามากมายธรรมะหมวดที่3ที่ต้องเรียนอย่างเรื่องในเครื่องหมายคำพูดไตรสิกขาคือเรื่องศีลสิกขาเรื่องจิตสิกขาเรื่องปัญญาสิกขาเรียนว่าทําอย่างไรจะมีศีลทําอย่างไรจะมีจิตที่ตั้งมั่นพร้อมที่จะเจริญปัญญาและต้องเรียนวิธีที่จะเจริญปัญญาหมวดที่4ก็มีธรรมะที่ต้องศึกษาเช่นเรื่อง ในเครื่องหมายคำพูดกิจในอริยสัจ4ี่ทำอย่างไรจะรู้ทุกทำอย่างไรจะละสมุ ท, ทยัยจะแจ้งนิโรธจะเจริญมรรคในหมวดที่5เช่นทำอย่างไรจะมีในเครื่องหมายคำพูดภละ5มีในเครื่องหมายคำพูดอินซีย์5คือมีศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาแต่ละเรื่องเรื่องต้องเรียนเยอะแยะไปหมดเลยในหมวดที่6เช่นเรื่องในเครื่องหมายคำพูด อินสียสังวร6ทำอย่างไรเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเราจะสามารถสังวรไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นครอบงำจิตได้คือว่าถ้าจิตยินดีขึ้นมาให้รู้ทันจิตยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันจิตก็จะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวหลงยินดียินร้ายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะและทำมารมที่มากระทบในหมวดที่7ยกตัวอย่างนะหมวดที่7เช่นเรื่องในเครื่องหมายคาพูดโพชงเจ็ด กว่าโพชงเจ็จะบริบูรณ์ก็มีงานต้องทำเยอะแยะเลยในหมวดที่8อย่างในเครื่องหมายคำพูดมักมีองค์8กว่าองค์มักทั้ง8จะประชุมกันขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายในหมวดที่9อย่างในเครื่องหมายคำพูดโลกุตตระธรรม9มีมักสี่ผลนสี่นิพพานหนึ่งกว่าจะแจ้งนะก็ฝึกกันแทบเป็นแทบตายหมวด10อย่างในเครื่องหมายคำพูดทศบารมีทำอย่างไรจะสร้างบารมีให้เต็ม